ตอบพิสุนีผู้กำนัดยินดีการถูกต้องกายของชายผู้กำนัดต้องอาบัตสามอย่างคือหนึ่งยินดีการจับต้องบริเวณใต้รากขวัญลงมาเหนือหัวเข่าขึ้นไปต้องอาบัตปาราชิกสองยินดีการจับต้องบริเวณเหนือรากขวัญขึ้นไปใต้หัวเข่าลงมาต้องอาบัตทุลจัย 3. ยินดีการจับต้องของเนื่องด้วยกายต้องอาบัตทุกกฎภิกษุณีผู้กำหนัดยินดีการถูกต้องกายของชายผู้กำหนัดต้องอาบัตสามอย่างเหล่านี้ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตสี่อย่างจัดเป็นวิบัตเท่าไหร่บรรดากองอาบัตเจ็ดกองจัดเข้ากองอาบัตเท่าไหร่ บรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไรบรรดาอาธิกรณ์สอย่างจัดเป็นอธิกรณ์ไหนบรรดาสมถะเจอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตสอย่างจัดเป็นวิบัตสองอย่างคือ 1. ศสีลวิบัต 2. อ, อาจารวิบัติบรรดากองอาบัตเจ็ดกองจัดเข้ากองอาบัตสามกองคือ 1. งกองอาบัตปาราชิก 2. กองอาบัตทุลจัยสกองอาบัตทุกกฎบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือ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 หาปาติเทศนียักันคำถามคําตอบสรุปรวมอาบัตในปาติเทศนียักันละปาติเทศนียสิกขาบทที่8ถามภิกษุณีออกปาก ข, ขอนมเปรี้ยวมาฉันต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบภิกษุณีออกปาก ข, ขอนมเปรี้ยวมาฉันต้องอาบัตสองอย่างคือ หรับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกกฎ 2. ฉันต้องอาบัตปาติเทสนิยะทุกๆุกคำกลืนภิกษุณีออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉันต้องอาบัตสองอย่างเหล่านี้ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตสีอย่างจัดเป็นวิบัติเท่าไหร่ บรรดากองอาบัติเจดกองจัดเข้ากองอาบัติเท่าไรบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานเท่าไรบรรดาอธิกรสี่อย่างจัดเป็นอธิกรไหนบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบอาบัติเหล่านั้นบรรดาวิบัติสี่อย่างจัดเป็นวิบัติหนึ่งอย่างคือ อาจารวิบัติบรรดากองอาบัตเจ็ดกองจัดเข้ากองอาบัตสองกองคือ 1. กองอาบัตปาติเทสนิยะ 2. กองอาบัตทุกกดบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐาน4สมุดฐานคือ 1. เกิดทางกายไม่ใช่เกิดทางวาจาไม่ใช่เกิดทางจิต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 ส ม, มุขาวินัย 2. ปติญญาตกรณะ 3. สัมสมุขาวินัยกับตินวัฏฐากะสมุจยะวาระที่8จบ